เดี๋วันนี้สอนที่นี่อีกวันพรุ่งนี้ศาลาลุงชินมาลือที่นี่อีกวันมีโอกาสได้ฟังธรรมะนะรีบเรียนไว้รีเรยนโอกาสที่คนคนนึงจะได้ฟังธรรมะเนี่ยมีไม่มากหรอกธรรมะที่จะเอาไปพัฒนาจิตใจของตัวเองได้จริงๆนะถ้าศึกษาค่อยๆฟังไปสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ย เอาไปหัดดูนะช่วงเดียวไม่นานเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองรู้สึกได้จะเปลี่ยนให้ดูเลยเคยทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นลงลธรรมของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์ที่สุดถ้าได้หลักแล้วง่ายที่สุดเลยทำไมง่ายมากเพราะว่าท่านค้นกว้าทดลองมานานท่านลองผิดลองถูกสแสวงหาโพธิญาณ ในตำราบอกเสียสงไขแสนมหากรัปสงไขหนึ่งก็ประมาณ10ยกกำลัง148ถึง152มีหลายตำรากัปหนึ่งก็ตั้งแต่จักรวาลเกิดขึ้นจนแตกไปนะนิดเราเย็ะง่ายพวกเราง่ายเพราะท่านลำบากมาแล้วเหมือนท่านเป็นคนค้นคว้าทดลองนะได้ความรู้แล้วมาบอกต่อ มันง่ายกว่ากันเยอะเลยลำพังสติปัญญาของเราเองเนะไปไม่ไหวนี่หลวงพ่อเมื่อก่อนไม่เข้าใจตรงเนี้ยพอมาภาวนาไปถึงจุดหนึ่งถึงรู้เลยโอ้ถ้าไม่ใช่ปัญญาระดับพระพุทธเจ้านะไปไม่รอดหรอกมันไม่ไหวจริงๆนะอย่างในโลกเนี้ยคนเขาบอกให้หนีทุกข์กันทั้งนั้นท่านไม่ให้หนีทุกข์ท่านให้รู้ทุกข์เนยแค่นี้ก็ไปไม่รอดละ ใครๆก็เต็มไปด้วยความอยากมีชีวิตแบบสนองความอยากไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกให้ละความอยากใครๆเขาก็เห็นแต่ความปรุงแตง่งพระพุทธเจ้าบอกให้เห็นนิพพานนิโรธไม่ปรุงแตง่งใครๆก็เดินอยู่ในเส้นทางที่สุดโต่งสองด้านถ้าไม่หลงตามกิเลสก็บังคับกดข่มตัวเองพระพุทธเจ้าบอกให้รู้เอาให้รู้กายให้รู้ใจนะ เส้นทางแห่งการรู้คําว่าพุทธะนั้นแปลว่ารู้นั่นเองพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นศาสนาพุทธนะก็คือศาสนาแห่งการรู้รู้อะไรรู้ทุกทุกคืออะไรทุกคือกายกับใจดังนั้ศาสนาพุทธนะสอนให้เรารู้กายรู้ใจไม่ใช่ให้ทําอย่างอื่นไม่ใช่ให้บังคับกายบังคับใจไม่ได้ให้ลืมกายลืมใจ คนในโลกนี้ถ้าไม่ลืมกายลืมใจก็บังคับกายบังคับใจทำได้แค่นั้นเราลองทบทวนสิ่งที่พวกเราปฏิบัติมาสมัยยังไม่รู้เรื่องนะล้มลุกลุกครานมาลองนึกดูสิสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีแต่บังคับกายกับบังคับใจจะถือศีลก็ต้องบังคับกายบังคับใจจะทำสมาธิก็ต้องบังคับกายบังคับใ จ, จ, อ, บบยบบใจอยากจเจริญปัญญาทำวิปัสสนานะ แทนที่จะรู้กายรู้ใจก็คอยบังคับกายบังคับใจยังจะหายใจออกหายใจเข้าก็บังคับลมหายใจนะจะดูท้องพองยุบก็ไปบังคับตัวเองจะเดินจงกรมก็บังคับตัวเองทําอะไรก็บังคับตัวเองทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนะของพระพุทธเจ้านะเราจะไม่รู้จักการรู้อาการรู้นี่อัศจรรย์ถ้าใครสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เนี่ย จะพ้นทุกอย่างฉับพลันมีคําว่าฉับพลันด้วยนะไม่ใช่แบบลิเกแบบโขนนะรำสามวันแล้วยังไม่เป็นไหนเลยรำอยู่ที่เดียวนะแต่นี้ฉับพลันนะเหมาะกับวัยรุ่นมากเลยวัดหลวงพ่อนี่สอนเรื่องฉับพลันเด็กๆเลยเยอะแล้วจริงๆฉับพลันจริงๆเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ธรรมะของท่านเนี่ยเป็นธรรมะของมหาบุรุษของผู้ยิ่งใหญ่ ลักษณะอันหนึ่งของธรรมะอันยิ่งใหญ่ของท่านผู้ยิ่งใหญ่นี้ก็คือรวดเร็วเห็นผลอย่างรวดเร็วไม่ช้าถ้าใครทํามาหลายปีเหมือนเดิมล้มลุกลุกคลานเหมือนเดิมขอให้มั่นใจเถอะว่าทําผิดแน่ๆมั่นใจได้แน่นอนทําผิดถ้าทําถูกต้องนะรู้กายรู้ใจเป็นต้องได้ผลรวดเร็วรวดเร็วจนตัวเองรู้สึกได้ตัวเองรู้สึกได้ก่อน คนรอบๆข้างก็รู้สึกแต่บางคนความรู้สึกช้านะตัวเองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ยังไม่รู้คนรอบข้างเขารู้ก่อนบางคนพวกนี้พวกไม่เอาไหนนะตัวเองดีแล้วยังไม่รู้ว่าดีใช้ไม่ได้หรอกมีหลายคนนะที่ฝึกไปฝึกไปแล้วก็เปลี่ยนไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเยอะผู้หญิงพออายุเยอะขึ้นเใช่ไหม แก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดุอย่างกระเสืออะไรเงี้ยนะอันนี้เขาว่ากันนะหลวงพ่อไม่ได้ว่าหรอกหลวงพ่อเคารพผู้หญิงนะเคารพสิท ธ, ธิสตรีนี่เขาว่ากันอย่างนั้นแก่ง่ายตายยากโดนผู้ชายก็โดนเหมือนกันไอ้แก่หนังเหนียวไอ้เท่าหัวงูแล้วแต่จะว่ากันนะแต่ผู้หญิงเนี่ยอยู่ในบ้านนะันมันมีภาระ ต้องดูแลบ้านดูแลคนในบ้านดูแลลูกดูแลหลานอนะไรเนี้ยต้องอบรมไปด้ว่ยนะปากเป็นหนังตะลุงไม่ได้เลิกนะในสุดติดนิสัยพูดมากโดยไม่รู้ตัวจู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ยไม่รู้ตัวสะสมทีละเล็กทีละน้อยพอมาหัดภาวนาเขานี้รู้สึกเนะืรู้สึกตัวขึ้นมาคนในบ้านรู้สึกแปลกไปโอ้หูมีเวลาว่าง <laughs> หูมีเวลาว่างบ้างนะ ไม่ถูกสั่งตลอดบางคนนะหลวงพ่อรู้จักเป็นคนที่นิสัยใจคอดีแต่เจ้าระเบียบมากเลยมีความคิดความเห็นตลอดเวลาอันนี้ต้องอย่างนี้อันนี้ต้องอย่างนี้ทุกคนในบ้านเครียดหมดทั้งบ้านเลยลูกก็แอ บ, บมาหาหลวงพ่อนะบอกช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยเนี่ยไม่มีปัญญาแก้เองชอบมายุ่งกับพระนะ <c oughs> พาแม่มานะมาเรียน พ่อก็สอนให้บอกว่าอุ้ยเราอย่าสนใจคนอื่นนะเราค่อยดูเวลาที่เรายึดในความคิดความเห็นของตัวเองไม่ค่อยรู้เอาจิตใจไปยึดในความคิดความเห็นเมื่อไหร่นะคอยรู้ไปรู้ทันลงไปเรื่อยๆนะไม่ได้บอกแกนะว่าอย่าไปบน่นอย่าไปว่าคนอะไรเงี้ยไม่สอนอย่างนั้ น, นสอนให้รู้ให้รู้ทันใจที่มันยึดถือในความคิดความเห็นแก่ก็กลับไปดูนะแกก็อย่างดีพยายามไปดู โอเคเห็นจริงๆว่าแกมีความเห็นตลอดวันคนนี้ต้องทําอย่างนี้คนนี้ต้องทําอย่างนี้ถ้าไม่ทำแกก็บ่นไปเรื่อยๆนี่พอแกเห็นอย่างนี้นะแกรู้เห็นไหมแกรู้ความอยากบน่นอยากอะไรนี้มันก็หายไปเพราะว่าไม่ได้ยึดในความเห็นของตัวเองคนเดียวละคนอื่นเขาก็มีเหตุมีผลของเขาเหมือนกันโนในบ้านเลยร่มเย็นสามีเคยมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะเดีนน๋ยวนี้สามีกลับมาอยู่บ้านละ ไปไหนไม่รอดแต่ก็มาบอกหลวงพ่องั้นหลวงพ่อก็ยังวิเคราะห์ไม่ออกนะไม่รอดเพราะเมียดีขึ้นหรือเพราะแก่จนไปไม่ไหว <c oughs> พอดีแก่พอดีนะเนี่ยศาสนาพุทธนะ่ะสอนให้เรารู้รู้ตัวเองรู้ลงไปเถอนะและชีวิตมันดีขึ้นจริงๆคนรอบๆตัวก็รู้สึกนะรู้สึกมีคนหนึ่งเป็นครูมาไหมวันนี้ครูมาไหม อ๋อมานี่ครูนี่ชอบมานะครูเนี้ยฉายาครูไหวใจร้ายชอบตีเด็กนะมาหัดดูจิตดูใจอยู่พักเดียวนะเด็กไม่สบายใจวันนี้ครูไม่ตีมาหลายวันลนะโนใส่ครูจะไม่สบายดูเด็กน่ารักนะเ <c oughs> นี่ยนี้เลยเป็นครูที่เด็กรักไปแล้วเ <c oughs> นี่ยลาพเราฝึกของเรานะเราได้ผลจริงๆ ศาสนาพุทธน่าัศจรรย์ขอให้รู้เถอะรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจตัวงเนืองเนืองเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ยากอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนนั้นก็คือทํายังไงเราจะรู้กายรู้ใจเป็นเมื่อรู้กายรู้ใจเป็นแล้วก็ต้องรู้เนืองเนืองรู้บ่อยๆไม่ใช่หลายๆวันรู้ทีหนึ่งเะงั้นคนไหนภาวนาเป็นแล้วมาถามหลวงพ่อว่าจะทํำยังไงอีกหลวงพ่อบอกให้ดูไปบ่อยๆ ดูเนึ่งๆไม่ใช่นานๆานมาดูครั้งหนึ่งไม่พอนะเวลาที่เหลือที่เราไม่ได้มีสตินะเป็นเวลาที่กิเลสมันจะทำงานกิเลสนะเมื่อมันเคยทำงานแล้วมันจะเคยชินอย่างคนไหนเคยด่าก็จะด่าเก่งขึ้นเรื่อยๆคนไหนเคยขโมยทีแรกขโมยเล็กขโมยน้อยต่อไปก็ขโมยเก่งขึ้นเรื่อยๆกิเลสมันจะพัฒนารวดเร็วงั้นเราต้องมีสติเมื่มีสติไว้นะกิเลสไม่มีช่องทางทางาน สรุปแล้วให้รู้กายรู้ใจนะกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่า ง, งานั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่า ง, รร น, า ง, งานั้นอยากเข้าไปแทรกแซงผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดชอบไปแทรกแซงยังเคยหายใจสบายๆก็ต้องหายใจไม่เหมือนคนธรรมดาหายใจก็ต้องมีจังหวะของการหายใจนะกระทบตรงโน้นกระทบตรงนี้มีหลายฐานจริงหายใจธรรมดานี่แหละเห็นร่างกายมันหายใจไปแล้วก็รู้สึกเอาตัวที่หายใจอ ย, อยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปเรื่อยแค่นี้เองง่ายๆ ไม่ต้องไปบังคับบางคนดูท้องพองยุบนะยกเท้าย่างเท้าอะไรมันบังคับไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรก็บังคับไปหมดนะอันนั้นไม่ใช่การรู้ให้รู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกการรู้กาย ร, ร, รู้ใจนะั้นมีเครื่องมือสําคัญอยู่สองตัวคือสติกับปัญญาสติทําหน้าที่รู้ว่าอะไรกําลังปรากฏอยู่ ปัญญาทำหน้าที่เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏนั้นสติรู้ว่าอะไรกำลังปรากฏอยู่ในกายในใจนี้ไม่เอาที่อื่นนะเอาที่กายที่ใจนี้มีสติไปขับรถไปเรียนหนังสืออะไรนี้สติเหมือนกันแต่สติอย่างโลกโลกสติในการปฏิบัติธรรมเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยมีกายมีใจเป็นฐานเป็นที่ระลึก ข, ของสติ นั้นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจให้มันเคลื่อนไหวอย่าไปบังคับให้มันนิ่งถ้านิ่งแล้วดูยากนิ่งแล้วมกักจะเพ่งให้มันเคลื่อนไหวไปให้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คอยตามรู้สึกไปนะอย่างเวลาคนใจลอยใช่ไหมเกิดขันขันแล้วทำไงเกาคุยไปเกาไปนี่บางคนคุยไปแค่ขี้มมกน ะ, นะ มีบางคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังแนละ้วมีกระบวนกาสุดท้ายแล้วทิ้งนะเนี่ยไม่รู้เลยว่าทําอะไรนะะถ้ามีสติคันรู้ว่าคันเกาได้ไหมได้ทําไมจะต้องเซอร์ไม่เกาใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกเห็นเลยตัวที่คันอยู่นี้ไม่ใช่เรานะนี่ปัญญาเริ่มเห็นแล้วตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่เราเห็นรู้สึกใช้สติใช้ปัญญานะมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจถ้าเมื่อไรขาดสติ เมื่อนั้นมีกายก็เหมือนไม่มีมันหายไปมีจิตใจก็เหมือนไม่มีสังเกตดูเวลาที่เราตั้งอกตั้งใจคิดอะไรสักเรื่องหนึ่งเวลาเราตั้งใจคิดเรารู้เรื่องที่คิดในขณะนั้นเราจะลืมกายลืมใจมีกายเหมือนไม่มีมีใจเหมือนไม่มีเรียกว่าขาดสติหรือมีสติอย่างโลกโลกอย่างมีขับรถอยู่ก็มีสติอยู่อะไรอ่ขับรถไปได้ไม่ตกถนนไม่ไปชนใครสติอย่างโลกโลก ตอนขับรถไม่ได้รู้กายรู้ใจนะนี่บางคนตอนขับรถมาคอยดูกายดูใจไม่ดูถนนอย่างนี้ก็มีนะเรียกว่าทําผิดหน้าที่นะชาวพุทธต้องรู้นะั้นว่าตอนนี้ควรทําอะไรเรียกว่ามีสัมปชัญญะรู้ว่าตอนนี้ควรจะทําอะไรไม่ใช่ฉันจะทำํำวิปัสสนาหรือฉันจะทําสมถะทั้งวันทั้งคืนใช้ไม่ได้นะเนะ่คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจถ้าลงไปคิดอยู่จะลืมกายลืมใจ ถ้าใจไหลไปคิดแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะมันจะรู้สึกกายจะรู้สึกใจครูบาอาจารย์บางองค์ถ้าเลยหยิบลูกกุญแจสําคัญมาเนี่ยรู้จักตอนที่จิตคิดนะถ้ารู้ว่าจิตคิดเมื่อไหรจิตจะตื่นขึ้นมาเมื่อไร่จิตตื่นขึ้นมาจิตจะรู้กายรู้ใจนี่ดงั้นท่านให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตนั้นมีธรรมชาติไหลไปคิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วให้คอยรู้เอาทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปคิดนะ จิตก็จะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วจะตื่นขึ้นมามีความรู้สึกเหมือนตื่นจริงๆคนในโลกไม่ตื่นนะต้องได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องแล้วหัดมารู้สึกตัวขึ้นมาหัดรู้สภาวะไปแล้วจิตมันจะตื่นขึ้นมาพอตื่นแล้วถึงจะอุทานด้วยความตกใจว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะั้นมันหลับมาตลอดเลยหลับทั้งที่ลืมตาอยู่นี่แหละหลับทั้งที่คุยกับคนอื่นได้หลับทั้งที่ทํางานได้แต่มันไม่ตื่น ถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าจิตไหลไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดทันทีนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับรันทันทีที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นได้เราจะรู้กายกับใจมันจะปรากฏขึ้นมามันจะไม่หายไปในโลกของความคิดมันจะรู้สึกขึ้นมาตรงนี้ถ้าเรามีสติขึ้นมาลรู้สึกตัวมีสติขึ้นมาใจตั้งมั่นขึ้นมาเห็นกายเห็นใจละ ถัดจากนั้นนะถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูจริงๆมันจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องมีสัมมาสมาธิมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันจะเห็นทันทีร่างกายที่ถูกรู้ถูกดูอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรา จิตาสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างความโกรธนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูความโลภเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราสิ่งใดถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราแต่ทั้งจิตเองก็เป็นของถูกรู้ถูกดูนะเช่นจิตตะกี้เผลอไปจิตตรงนี้รู้ว่าจิตตะกี้เผลอไปนี่มันตามรู้อยู่อย่างนี้สิ่งใดที่เป็นของถูกรู้ถูกดูนะมันจะไม่ใช่ตัวเราเหมือนเรารู้สึกไหมว่าพัดเป็นตัวเราดูมไหย มีใครรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเรามีไหมสารภาพไม่มีใครเห็นว่าพัดเป็นตัวเราเพราะอะไรมันของนอกๆรู้สึกไหมมันของอยู่ห่างๆเป็นของถูกรู้ถูกดูมีใครรู้สึกว่ากระติกน้ําเป็นตัวเราไหมไม่มีมันอยู่ห่างๆมันเป็นของถูกรู้ถูกดูถ้าเมื่อไรจิตเราตั้งมั่นขึ้นมานะเราจะเห็นร่างกายนี้อยู่ห่างๆเหมือนกระติกน้ําเนี่ยเราจะเห็นร่างกายนั้นอยู่ห่างๆออกไปเหมือนพัดอันนี้อยู่ห่างๆจิตกับกายนั้นแยกออกจากกัน จิตอยู่ต่างหากกายอยู่ต่างหากพอมันแยกออกจากกันปุ๊บนิ่มจะเห็นเลยสิ่งใดที่ถูกรู้ถูกดูสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายไม่ใช่เรานะเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรานะกุศลและอกุศลที่เรียกว่าจิตตสังขารทั้งหลายนะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเห็ น, อ, นอย่างนะี้อีกตัวจิตเองก็เกิดเกิดดั บ, ดบ เดี๋ยวจิตเกิดที่ตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่จมูกที่ริ้นที่กายที่ใจนี่ของเกิดเกิดดับดับเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนกันแล้วอะไรเป็นคนไปรู้มันก็จิตอีกดวงหนึ่งไปรู้จิตดวงก่อนนะจิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงเก่านะเรียก ว, ว่าตามรูนะ้ตามรู้อย่างนี้เรื่อยต่อไปจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปรู้เข้าลนะ้วนแต่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดทั้งสิ้นเลยตัวเราไม่มีหรอก ถ้าดูเป็นแบบนี้นะ7วันเจ็เดือน7ปีต้องมีผลบ้างนะอาจจะไม่ถึงพระรหันต์ไม่ถึงพระนาคาเหมือนคนสมัยพุทธกาลนะแต่ขั้นเบื้องต้นอะไรนี้ก็คงได้บ้างนะไม่ได้เหลือวิสัยนักหรอกนะพอทำได้ธรรมะมาที่พระพุทธเจ้าสอนนะธรรมะพอดีพอดีไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ธรรมะแบบไม่ต้องทำอะไรนอนกระดิกเท้าอยู่แล้วบรรลุไม่ใช่นะ ต้องขยันรู้กายขยันรู้ใจมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจนะมีใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูแล้วก็เลยเห็นนะทั้งกายทั้งใจเป็นของถูกรู้ถูกดูเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ทนะําไม่มีตัวเราอยู่ในกายใ น, ในใจนี้มันจะเห็นด้วยว่าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้กระทั่งร่างกายจิตใจยังไม่ใช่ตัวเราแล้วของข้างนอกมันจะเป็นตัวเราได้ยังไงมันไม่เป็น ดับไปพร้อมๆกันนะความเห็นผิดว่ามีตัวเราเมื่อไรละความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เมื่อนั้นเรียกว่าละสักกายทิฐิได้ได้เป็นพระโสดา บ, บันเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ในอนาคตวันหนึ่งจะต้องถึงนิพพานแน่นอนไม่ใช่ว่าทุกคนจะถึงนิพพานในวันหนึ่งข้างหน้านะอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ว่ า, าทุกเกิดมาแล้วก็อยู่ชั่วๆไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาพอสมควรวันหนึ่งก็นิพพานอย่างนี้ สิ่งที่อยู่ในโลกได้คือเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปนิพพานนั้นพ้นจากความเกิดและความดับและอย่าไปดูว่านิพพานนี้เป็นแฮปปี้เอนดิ้งที่ทุกคนต้องเจอสิ่งที่ทุกคนเจอคือความเกิดแล้วก็ความดับของขันนี้ไปเรื่อยๆคนที่เข้าถึงมรรคนิพพานแล้วมีจํานวนมากมากเหมือนเมล็ดายในแม่น้ำํำคงคาทําไมต้องแม่น้ํำคงขาก็ไม่รู้นี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างนั้น บอกพูดที่ถึงที่สุดไปแล้วแต่คนที่ยังไม่ถึงนั้นนับไม่ท้วนนับไม่ท้วนนะงั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปถึงเราอย่าไปวาดภาพว่าตาเราเกิดขึ้นมานี่นะแล้วก็เวียนว่ายแต่เกิดไปจุดสุดท้ายคือนิพพานทุกคนต้องนิพพานนิพพานไม่ได้ที่สิ้นสุดของความเกิดมีชีวิตอยู่เป็นคลาวคลาวยังนี้นิพพานพ้นจากความเกิดและความตาย สิ่งที่ทุกคนเจอคือความตายต้องภากเพียร น, นะต้องปฏิบัติต้องเจริญสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจเนืองเนือง<ๆ>มันนืงจะนิพพานเวลานิพพานถามว่าขันเาเป็นยังไงขันก็ตายสิขันก็ตายไปตาม ส, สภาพธรรมดาของขันนะแต่นิพพานไม่ตายนะธรรมธาตุไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าจิตก็ไม่เหมือนจิต จะว่าไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตนี่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะเป็นธรรมธาตุซึ่งมันไม่เกิดไม่ตายมันมีอยู่แต่นิพานไม่ใช่จิตนะไปเข้าใจว่านิพานเป็นจิตคนละเรื่องกันเลยนิพานเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งจิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองจิตของผู้มีคุณสมบัติพอไปรู้เข้าเพราะนิพานเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่จิตไปรู้นิพานเป็นธรรมอารมณ์ชนิดหนึ่ง ค่อยๆขยายความนะิพพานเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอันนั้นก็เรียกว่าเป็นอารมณ์คําว่าอารมณ์ในทางศาสนาพูดหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ออบเจกติบสิ่งที่ถูกรู้นิพพานเป็นอารมณ์ชนิดที่เรียกว่าธรรมารมธรรมารมคืออารมณ์ที่รู้ด้วยใจนะอารมณ์ที่รู้ด้วยใจมีเยอะแยะนะอย่างเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาเป็นสมมุติบัญญัติน่รู้ด้วยใจ รูปบางชนิดรู้ด้วยใจเช่นธาตุน้ํารู้ด้วยใจไม่ต้องเรียนนะฟังเล่นๆไป น, ะนามาทําทั้งหลายทั้งปวงรู้ด้วยใจนิพพานรู้ด้วยใจนั้นใจถึงใหญ่ไงใจเป็นหัวหน้าใจรู้อารมณ์ได้ทุกชนิดเลยนะทุกประเภทเลยแต่รู้ได้ไม่ครบทุกอย่างนะอารมณ์บางอย่างส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนะคือธาตุไม่กี่ชนิดเองรูปไม่กี่ชนิดเองที่เหลือรู้ด้วยใจนิพพานนะ่นรู้ด้วยใจ ใจของคนที่จะเห็นนิพพานก็ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับนิพพานนิพานนพานมีคุณสมบัติคือสันตินะเรียกนิพพานมีสันติลักษณะหมายถึงนิพพานสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสนะเรียกว่าวิราคะสงบจากขันเรียกว่าวิสังขารนะหมดความปรุงแต่งนะหลุดพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเรียกว่าวิมุตตินะ นิพพานมีหลายชื่อนิพพานมีอยู่ไหมนิพพานมีอยู่นะแต่นิพพานไม่มีขันไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ไม่มีความปรุงแต่งนะนิพพานเที่ยงนิพพานมีความสุขนะแต่นิพพานไม่มีเจ้าของเนะี่ยต่อค่อยรู้สึกนะพภาวนาไปวันหนึ่งเราแจ้งนิพพานตอนหัดภาวนาไปแรกๆนะไปเห็นเงาเงของนิพพาน มีเงาเงาของนิพพานาเช่นเห็นจิตใจที่มันไม่ยึดไม่ถืออะไรนะเป็นชว่วครั้งชว่วคราวเป็นตัวอย่างให้ดูใจโล่งใจว่างใจไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรดูไม่ออกว่าจะเอาไปทําอะไรได้นึกไม่ออกเลยงนอย่างบางคนนะั้ไปฟังหนังสืออ่านหนังสือเซ็นอะไรอย่างงี้นะหรือไปฟังปรัชญาบางแขนงฟังไปเรื่อยนะใจก็เหมือนเบิกบานสงบนิ่งหยุดไปชั่วคราวโอ้นี่แหละนี่แหละทางพ้นทุกข์ อาศัยอย่องนี้นะไม่ใช่พ้นทุกจริงหรอกเป็นแค่เงาเง า, เ, งาเป็นตัวอย่างให้ดูแต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรก็จะพยายามตะเกียกตะกายปรุงแต่งให้จิตมันว่างอยู่นั้นแหละบางคนภาวนานะหัดดูจิตดูใจพอเห็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้รีบปัดทิ้งเลยเห็นอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งปัดทิ้งไปหมดใจจะได้ว่างๆจะเอาใจที่ว่างจะเอาใจที่ว่างนะถ้ายังคิดจะเอาอยู่ไม่ใช่ของจริงหรอก นั้นใจจะดูคล้ายๆพระอระหันต์แต่ไม่ใช่ใจอย่างกระด้างใจจะมีความกระด้างจะมีมานาอัตตานะรุนแรงนะไม่ใช่ของจริงนะแต่ถ้าหากเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเรารู้กายเรารู้ใจไปเรื่อยจนเขาเห็นกายเห็นใจเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆนะเรียกว่าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะเขาสลัดทิ้งเองเลย เขาสลัดกายสลัดใจนี่ทิ้งเนี่ยเข้าถึงนิพพานที่แท้จริงแล้วพ้นจากขันส่วนนิพพานปลอมๆเจออะไรก็เหวี่ยงทิ้งไปจะเอาความว่างอันเดียวนะอันนั้นไม่ใช่นิพพานหรอกอันนั้นไปจับเอาความว่างมาเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นภพอีกชนิดหนึง่งแต่เป็นภพที่ประณีตเท่านั้นเองประณีตจนบางคนคิดว่าเป็นนิพพานชนิดนั้นเป็นนิพพานของปลอมเท่านั้นเองเป็นนิพพานแบบปลอมไม่ใช่ของจริงหรอก เราต้องรู้กายรู้ใจนะถ้าใครจะมาสอนเราบอกว่าไม่ต้องรู้กายรู้ใจทําใจให้ว่างๆไว้เจออะไรก็ปัดทิ้งไปทําใจให้ว่างให้มันเบิกบานมีความสุขไม่ใช่ของจริงนะเรียกว่ารู้มากกว่าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกให้รู้กายรู้ใจนั้นถ้าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้กายรู้ใจ เมื่อใดเห็นกายเห็นใจเห็นขันเป็นทุกข์ <ator> ล้วนๆะนั่นแหละจิตจะปล่อยวางขันเมื่อจิตวางขันแล้วนะจิตเป็นกลางต่อขันนะจิตไม่ได้เกล็ดขันจิตถึงจะวางไม่ปรุงแต่งอะไรต่อไปแต่ถ้าแกล้งวางนี่ปรุงแต่งความวางขึง้นมาปรุงแต่งการว่างความว่างปรุงแต่งการปล่อยวางอันนั้นเป็นความยึดถืออย่างหนึง่งยึดความไม่ยึดอะไรยึดความไม่ยึดอะไรใช้ไม่ได้นะยังยึดอยู่ กิเลสตัณหาอะไรไม่ได้ลดได้ละเลยมันต้องรู้กายต้องรู้ใจเนืองๆ อ, อย่าหนีความรู้สึกตัวในคมภีรที่พูดบอกพระโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้สแสวงหาการตรัสรู้พระโพธิสัตว์นั้นไม่ไปเกิดในอสัญญาสัตตาภูมิพรหมลูกฝักเพราะตรงนั้นไม่รู้สึกตัวไม่มีจิตพระโพธิสัตว์ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เล็กๆนะ สัตเล็กๆไม่มีสติปัญญาอะไรมีแต่เซลฟ์ประสาททางานได้นิดๆหน่อยๆแต่พระโพธิสัตว์ยังตกนรกได้เพราะฉะนั้นภูมิของสันเดลิชานนี่ต่ำกว่าสันนรกนะ<ม>แล้วก็ขนานกันก็คือภูมิของปลมลูกฟักรพระโพธิสัตว์ไม่ไปเกิดโ พ, พธิสัตว์ไม่จําเป็นต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรอกโ พ, พธิสัตว์ก็คือโ พ, พธิจิตคือจิตที่สแสวงหาการตรัสรู้นี่แหละถ้าเราไม่อยากเนิ่นช้านะ เราก็อย่าทําตัวแบบสัตว์เล็กสัตว์น้อยคือหลงมันทั้งวันเลยเราก็อย่าทําตัวเป็นโฟมลูกฟักฝึกตัวเองจนกระทั้งไม่รู้เหนือรู้ใต้เพนะระโพธิสัตว์เนี่ยบางครั้งพลาดพลั้งไปเกิดในปรอมโลกเรียกว่าพลาดพลัง้งเกิดในอรูปประมก็มีเรียกว่าพลาดพลั้งไปเกิดนะแต่พอท่านรู้สึกขึ้นมาเนี่ยท่านจะอธิฐานจิตเลยขอกลับรีบกลับมาบําเพ็ญบารมีไหมงั้นหลายคนที่ฝึกภาวนาแล้วไปจับความว่าง จับเอาความว่างเป็นอารมณ์นี่ชื่อว่าอากาสานัญญาตนะเป็นอรูปปัจานชนิดหนึ่งบางคนก็ปัดหมดเลยทุกสิ่งไม่เอาทุกสิ่งไม่เอานะจิตก็ไม่เอาปัดจิตทิ้งไปนะอะไรๆก็ไม่เอาเลยนะอันนั้นเรียกว่าอากินจัญญาญตนะเป็นอรูปปัจจานอีกอย่างหนึ่งแต่แล้วก็เคลิ้มลิปหลีริบหลีไปนะนั่นเรียกว่าเนวว่าสัญญาณสัญญายาตนะ เนี่ยเส้นทางเดินซึ่งนักปราดทั้งหลายเขาค้นคว้ากันนะมีไม่มีทางหนีรอดจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้เลยเั่นอย่างน้อมใจเข้าหาความว่างเนี่ยไม่ใช่นั้นคืออากาสานัญจา ย, ยตนะน้อมใจเข้าหาความไม่มีอะไรเลยเรื่องอากินจัญญายตนะนี่ท่านสอนไว้หมดแล้วมาถึงวันนี้รู้สึกโอ้นี่เป็นทางลัดตัดให้หมดอะไรก็ปัดทิ้งไปปัดทิ้งไปอยู่กับความว่างๆ อย่าไปอยู่กับความว่างพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนท่านสอนให้รู้กายรู้ใจลงไปดูสติปัฏฐานท่านบอกสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานมีแต่ให้รู้กายใช่ไหมกายานุปัสสนาให้รู้กายเวทนานุปัสสนาให้รู้เวทนาจิตานุปัสสนาให้รู้จิตธรรมานุปัสสนาให้รู้สภาวะธรรมคือรูปธรรมและนมามธรรมทั้งหลายที่เขาทํางานไปเรื่อยๆ นี่ให้รู้ให้เห็นสภาวะที่มันทํางานไปถ้าเห็นตัวมันโดโดๆนะั้นก็เป็นกายเวทนาจิตนะถ้าเห็นกระบวนการของมันได้เข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาได้เช่นเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจนะเห็นกระบวนการทํางานของนิวรณ์ของโพชฌงค์อนะไรนีขึ้นไปสู่ธรรมานุปัสสนาท่านไม่เคยสอนสุญญาตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มนะีที่จะสอนให้ไปดูความว่างท่านสอนให้รู้ทุก์ ทุกอยู่ที่กายรู้ลงไปทุกอยู่ที่ใจรู้ลงไปนะอย่าไปดูที่อื่นนะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกยังไง ร, รู้สึกตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณนะ์ไม่ใช่ไปดูว่ากายเป็นแค่ปฏิกูลสุภาไม่ใช่ไปดูว่าจิตว่างๆบางคนฝึกหนะ้าอันนี้เห็นจิตกับอารมณ์ใช่ไหมปัดอารมณ์ทิ้งอารมณ์ไม่ใช่จิตไปจับเอาที่ตัวจิตจิตก็ว่างๆนะไม่ปรุงแต่งอารมณ์หยา บ, ยาบๆขึ้นมาเขาคิดว่าปัดเจตสิกไปหมดความจริงว่างๆนั่นแะหละเจตสิก าหนีไม่พ้นหรอกก็ปนกันอยู่อย่างนั้นะเหลือ52วินาทีเชิญไปทานข้าว